ขอต้อนรับนะนักปฏิบัติธรรมนะทั้งที่มาจากชัยภูมิสารคามแล้วก็อีกหลายจังหวัดปกตินะ ส, สาราธรรมวั่นีก็ค่อนข้างจะกว้างแต่ว่าวันนี้ก็ดูแคบไปเพราะว่ามีนักปฏิบัติมากันเยอะที่ทางอาจจะคับแคบซึ่งหน่อยนะ แต่ว่าก็อย่าให้รู้สึกขับใจไปด้วยนะขับที่อยู่ได้นะขับใจอยู่ยากที่จริงแล้วนะขับที่นี่มันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่ว่าขับใจนี่มันก็อยู่ที่ใจเราเองด้วยนะ ถ้าเราวางใจให้เป็นมันก็ไม่รู้สึกคับแคบอะไรที่นี่เราก็มีการทำวัดสดมนเช้าแล้วก็เย็นทำวัดเราก็เริ่มต้นโดยการสารเสริญพุทธคุณเพื่อการน้อมระลึกนึกถึง พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุ ณ, คณก็คือพระตนาตรายัยเพื่อทำให้จิตใจแช่มชื่นเบิกบานแล้วก็เพื่อปลูกศรัทธาลงไปในใจของเราให้มีที่ยึดเหนี่ยวอันดีงามจากนั้นก็มีการสวดมนต์บทพิเศษวันนี้เราก็สวดบทพิเศษหลายบทซึ่งล้วนแต่ เตือนใจให้เราลึกถึงความไม่เที่ยงเริ่มตั้งแต่บทแร ก, กคือปจชิมโอวาสปาชิมโอวาสคือโอวาสครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์จะเหมือนกับเป็นคำสอนครั้งสุดท้ายหรือคำสั่งเสียก็ได้คำพูดสุดท้ายก่อนจะสิ้นลมของคนทั่วไปก็ มักจะต้องพูดในสิ่งที่สำคัญที่สุดาั้นใดก็ชันนั้นเมื่อพระพุทธองค์จะปรินิพานคาตรัสสุดท้ายนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญมากเป็นของฝากชิ้นสุดท้ายสำหรับชาวพุทธหลังจากที่พระองค์ได้สอนมาถึง45พรรษาเมื่อจะปรินิพานก็ส่งให้โอวาทสั้นๆ ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดความไม่ประมาทในทีน่นี้ก็คือไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็รวมถึงต้องขวนขวายภาคเพียรพยายามด้วยอันนี้พระพุทโ์ก็เตือนให้ ชาวพุทธทั้งหลายได้มีความภาคเพียรใช้เวลาใช้กำลังที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ก่อนที่จะลาจากโลกนี้ไปหลังจากกล่าวสวดเรื่องปัจฉิมว่าแล้วเราก็ได้พิจารณาถึงความเป็นจริงของสังขารนะที่มีเกิดแล้วก็มีดับ มีความแปลเปลี่ยนไปให้เราตระหนักว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงอันนี้ก็พูดชัดลงมาเลยว่าในที่สุดทุกคนรวมทั้งเราก็ต้องตายนะแล้วก็สวดอีกสองบทนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความตายที่จะต้องเกิดขึ้นกับเรา บางบทก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะได้ยินได้ฟังแต่ว่าไม่เคยเข้าใจความหมายก็คือบางสุกุลเป็นกับบางสุกุลตายที่บอกว่าร่างกายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณก็จะนอนทับถมซึ่งแผ่นดินเหมือนต้นไม้เหมือนท่อนไม้ที่หาประโยชน์ไม่ได้แล้วก็ที่อีกอันหนึ่งที่พูดว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมมีความแปรเปลี่ยนไปเกิดแล้วก็ดับความทำความสงบระงับแห่งสังขารได้เป็นความสุขอันนี้คือความหมายของบาสกุลตายที่เราอาจจะเคยได้ฟังอยู่บ่อยในงานพิธีในงานศพนะแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจความหมายทั้ง4บทนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความจริงของชีวิต ที่เราทุกคนต้องประสบไม่มีใครหนีพ้นนั่นก็คือมาความตายการเรารู้ถึงความตายที่ต้องเกิดขึ้นกับเราอันนี้เราก็เรียกว่ามรณสะสติหรือว่ามรณานุสตนะิหลังจากที่สวดพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติแล้วก็มาพิจารณามรณสติบ้างก็ดีเหมือนกัน เพราะว่ามันช่วยทำให้เราไม่หลงตัวลืมตนนะคนทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้นะอยู่แบบหลงตัวลืมตนคือคิดว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ไปจนชั่วฟ้าดินสลายน้อยคนที่จะเฉลียวใจว่าสักวันหนึ่งฉันก็จะต้องตาย เราไม่ค่อยได้นึกถึงความตายเท่าไหร่เพราะว่าเพลินนะเพลินไปกับความสุขเพลินไปกับการเสพการบริโภคเพลินไปกับความบันเทิงหรือบางทีก็เพลินไปกับการงานเพลินไปกับการเลี้ยงเลี้ยงลูกหรือว่าการทาหน้าที่การงานรวมทั้งเพลินกับการไล่ล่า หาเงินทองหรือว่าในลาเพื่อที่จะขยยบฐานนะสร้างตำแหน่งให้เราก็เพลินไปหรือเราก็หมกมุ่นบุญวายไปกับสิ่งเหล่านี้จนลืมไปสนิทใจเลยว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายอาการหลงลืมการมีชีวิตอยู่อย่างหลงลืมเนี่ยมันทำให้เราอยู่แบบลืมตาย คนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่แบบลืมตายนะคือลืมไปว่าจะต้องตายลืมไปว่าจะต้องต้องเจ็บต้องป่วยสักวันใดวันหนึ่งก็ได้แล้วคนที่อยู่แบบลืมตายเนี่ยพอความตายมาถึงตัวหรือความตายมาประชิด ต, ตัวเนี่ยก็จะตื่นตกใจโดยเพราะถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายเช่นเป็นมะเร็ง เป็นโรคเอสเนี่ยติดเชื้อ HIV โรคทึ้งรักษาหายได้ยากหรือรักษาไม่ได้เลยพอรู้ว่าตัวเองชีวิตกำลังนับถอยหลังก็อยู่เหมือนเหมือนคนตายทีแรกอยู่แบบลืมตายแต่พอเจอโรคร้ายเข้าหรือว่าเกิด อัติเหตุพิการนั้นเดินไม่ได้ขาขาดบ้างหรือว่าตาบอดก็จะทําใจไม่ได้กลายเป็นว่าอยู่เหมือนตายก็คือว่ามีแต่ลมหายใจร่างกายยังมีลมหายใจอยู่แต่ใจเนี่ยมันหมดแล้วหมดกําลังใจที่จะอยู่แล้ว อันนี้เราพวกเราที่อยู่โรงพยาบาลก็คงเจอผู้ป่วยแบบ น, นี้เยอะคือไม่อยากมีชีวิตยอยู่ละทอแท้อันนี้ก็เรียกว่าอยู่เหมือนตายนะบางทีเรียกว่าตายทั้งเป็นก็ได้มันพลิกนิดเดียวนะจากคนที่อยู่แบบลืมตายกลายเป็นอยู่เหมือนคนตายนะ และพอเวลาจะตายเาก็ทุรนทุรายมากอันนี้ก็เพราะว่าใช้ชีวิตอย่างประมาทใช้ชีวิตอย่างประมาทคือไม่ได้ตระหนักหรือเฉลียวใจว่าสักวันหนึ่งฉันต้องตายแต่ถ้าเกิดว่าเราเราลิกถึงความตายไว้บ้างว่าสักวันหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นกับตัวเองมันก็ทำให เกิดการมาทบทวนไม่มากก็ น, น้อยว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างที่เป็นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าความหลงลืมทำให้เราบางครั้งก็ใช้เวลาหมดไปกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระเช่นเที่ยวเตยสนุกสนาน หาความบันเทิงหรือบางทีก็อาจจะสแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เผื่อใจไว้กับสิ่งอื่นเลยเช่นตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินนะอันนี้ก็มันก็มีประโยชน์อยู่แต่ว่าการที่เอาแต่ทำมาหากินหาเงินหาทองมันก็ทำให้เรา ไม่ทันได้เตรียมใจเหมือนกันเมื่อถึงวันที่จะต้องลาจากโลกนี้ไปก็กลายเป็นว่าเงินทองที่อุตสาหามาเป็นแสนเป็นล้านถึงเวลาที่เราประสบพิกิตในชีวิตถึงเวลาที่เราจะตายมันกลับไม่มีความหมายเลยเพราะว่ามัน ไม่สามารถที่จะช่วยให้เราทำใจสงบหรือว่ายอมรับความตายได้อย่างดุสณนีนะชื่อเสียงกิตติยศหรือว่าตำแหน่งหน้าที่ที่อุตสาหไต่เต้านะขวนขวายมาบางทีก็ต้อง ใช้กลลเม็ดเด็ดพลายสารพัดเพื่อที่ทำให้ได้เป็นได้มีตำแหน่งสูงสูงแล้วก็นึกว่าจะอยู่มันอยู่ในตำแหน่งนั้นไปได้ตลอดชั่วฟ้าดินสลายแต่เมื่อรู้อีกทีก็พบว่าในสิ่งที่ดิ้นรนขวยคว้ามานั้นเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้เลย เมื่พอคนเราพอถึงเวลาจะตายจริงๆนี่เงินทองอำนาจบริษัทบริวารก็ช่วยไม่ได้แม้แต่เทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดก็อาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากเพราะวา่าความตายบางครั้งมันก็มีอำนาจมากเหลือเกินไม่มีอะไรที่จะมาเหนี่ยวรั้งไว้ได้ ถึงตอนนั้นแหละเราก็จะรู้ว่าไอีเที่ทุ่มเทมาทั้งชีวิตนี้นอกจากจะเอาไปไม่ได้ในภพหน้าแล้วแม้แต่ในภพนี้ในขณะที่กำลังทุรนทุรายกระซากระส่ายมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันใครๆก็รู้ว่าทรัพย์สินเงินทองอำนาจบริษัทบริวานี่ ตายแล้วก็ออกไปไม่ได้คล้ายๆก็รู้แต่ไม่เคยทราบซึ้งถึงใจคนที่จะทราบซึ้งจริงๆก็คือคนที่ตอนใกล้จะตายเนี่ยก็จะรู้ชัดว่าเอาไปไม่ได้แต่ถึงแม้เอาไปไม่ได้แต่ว่าถ้ามันพอจะช่วยให้เรามีความสุขมีความสงบก่อนตายมันก็ยังดีแต่ก็อย่างที่เรารู้นะเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหรือว่า นายรัฐมนตรีประธานอาธิบดีผู้มีอำนาจนักการเมืองทั้งหลายถึงเวลาจะตายให้สิ่งที่สะสมตักตวงหรือแม้แต่คดโกงมามันก็ช่วยอะไรไม่ได้ที่ทำให้สามารถจะผ่านพ้นความตายไปได้อย่างสงบเนยะ มันมีสิ่งเดียวที่จะช่วยทำให้เราสามารถจะรับมือกับความตายได้เมื่อวันนั้นมาถึงนะก็คือการที่เราได้ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลรวมทั้งการฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมรับนะความตายได้ด้วยเหตุนี้แหละที่พระพุทธองค์ถึงเตือนนักเตือนหนาว่าอย่าประมาท อย่าประมาทขนขวายจงขนขวายภาคเพียรภาคเพียรทำอะไรบ้างนะก็ภาคเพียรในเรื่องของการทำหน้าที่ในขณะที่ยังมีเวลาทำหน้าที่ให้สมบูรณ์พร้อมนะไม่ใช่หน้าที่ต่อพ่อแม่หน้าที่ต่อลูกหลานหน้าที่ต่อส่วนรวมเท่านั้นแต่รวมถึงหน้าที่ต่อตัวเองด้วย โดยเพาะในเรื่องจิตใจหน้าที่ในทางกายนี่เราก็ทำกันมาเยอะแล้วนะแต่ว่าเรื่องจิตใจนี่เราไม่ค่อยได้ใส่ใจกันเท่าไหร่เราไม่ค่อยได้เตรียมใจเท่าไหร่นะเราอาจจะเตรียมสร้างหลักประกันมีการทำประกันภัยนะเพื่อช่วยในยามเจ็บป่วยหรือว่าถ้าตายก็ จะได้เป็นหลักประกันให้กับลูกหลานพ่อแม่ที่ยังอยู่ข้างหลังแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ช่วยสร้างหลักประกันแห่งจิตใจเลยมันเป็นหลักประกันทางวัตถลุล้วนๆแต่ไม่ใช่หลักประกันทางจิตใจที่จะทำให้เราสามารถที่จะรับมือกับความตายได้หรือแม้แต่รับมือกับความสูญเสียความเจ็บความป่วยความพิการมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ ในเรื่องการเจรียมจิตเตรียมใจนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะแต่เราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเราเพลินหรือไม่ก็หมกมุ่นไปกับการทํามาหากินหรือว่าเพลินไปกับการใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานโดยเพราะคนที่ยังหนุ่มยังสาวหรือคนที่ยังมีสุขภาพดีก็เพลินไปกับความเป็นหนุ่มสาวเพลินไปกับการมีสุขภาพดี เกินไปกับการมีเงินทองโดยไม่ได้ตระหนักว่าสักวันหนึ่งความหนุ่มความสาวก็จะต้องพัดพรากไปสุขภาพที่เคยมีก็จะหายไปหรือไม้แต่เวลาที่มอีอยู่อย่างเหลือเฟือก็จะค่อยๆหมดไปและบางทีอาจจะหมดไปอย่างรวดเร็วกระทันหันจนไม่ทันตั้งตัวก็ได้ หลายคนไม่ได้เตรียมใจในเรื่องนี้เลยเดีย ว, ว่าแต่ความตายเลยมันก็ทั่งความเจ็บป่วยก็ไม่ได้เตรียมใจพอเป็นโรคร้ายก็จะตีอกชกหัวก็จะบ่นกลนดาชะตากรรมว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นนะชันทำความดีมาตลอดฉั้นทำผิดอะไรนะีก็ไม่ได้ทำผิดอะไรหรอกแต่ว่าพลาดไปอย่างเนื้อคือไม่ได้เตรียมใจไว้เลย คนที่ไม่ได้เตรียมใจไว้รับมือกับความไม่เที่ยงของชีวิตก็จะ <c oughs> ต้องบ่นตีโพยตีพายอย่างนี้แหละเสียละตัวเองก็ทุกข์เองเรื่องการพิจารณาถึงความตายที่ต้องเกิดขึ้นกับตนอย่างแน่แท้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเราเรียกมรณสติแต่ว่าเท่านี้ยังไม่พอนะ เพียงแค่ระลึกถึงความตายว้ต้องเกิด ข, ขึ้นกับตัวเองอันนี้ยังไม่ครบถ้วนต้องระลึกต่อไปด้วยว่าใอ้ตา ย, ยาตายแน่แต่ไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่อันนี้เนี่ยเป็นความจริงที่แย่นะพอๆกับความจริงที่ว่าเราต้องตายคือตายแน่แต่รู้วันตายก็ยังดีแต่นี่ไม่รู้วันตายด้วซ้า บางคนที่หนุ่มยังสาวก็คิดว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัวคนที่มีสุขภาพดีก็มากจะคิดว่าคว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัวเวลาพูดเรื่องความตายก็บอกอย่าพูดเลยมันไกลตัวแต่ว่ามีภาษิตที่เบ็งพูดไว้ดีนะก็บอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนไม่มีใครรู้นะ คนส่วนใหญ่คิดว่าพรุ่งนี้จะมาก่อนชาติหน้าแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสําหรับหลายคนในในคืนนี้เขาจะไม่มีพรุ่งนี้แล้วพ้นจากคืนนี้ไปก็ชาติหน้าเลยไม่มีพรุ่งนี้สําหรับคนจํานวนมากหลายคนก็อยู่ในโรงพยาบาลของเรานี่แหละหลายคนก็ยังมีสุขภาพดีแต่ว่า อาจจะประสบอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆพ้นจากคืนนี้ไปก็ชาติหน้าเลยไม่มีพรุ่งนี้ท้าหมอนิยงังนี่ความตายเป็นเรื่อง ใ, ใกล้ตัวมากสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาทุกเวลาทุกนาทีแม้แต่เดินลงบันไดไปนะถ้าก็อาจจะเกิดเมียนเป็นไปก็ได้ ง น, นการพิจารณาความตายเนี่ยจะต้องระลึกว่าตายอะตายแน่แต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องถามต่อไปว่าถ้าเกิดว่าฉันจะต้องตายวันนี้ฉันจะต้องตายคืนนี้ฉันจะต้องตายในอีกไม่นานเนี่ยฉันพร้อมหรื อ, อยังพร้อมที่จะตายหรื อ, อยังทาความดีมามากหรือพอหรื อ, อยังทาหน้าที่มาอย่างสมบูรณ หรือว่าทําเสร็จสิ้นหรื อ, อยังบางทีเราไม่ค่อยได้ถามตรงนี้นะเพราะเราคิดว่ายังมีเวลาอีกเยอะที่จะทําอะไรได้อีกมากมายแต่ถ้าเราลึกว่าเราอา จ, จะต้องตายในวันนี้วันครุ่งก็ต้องทบทวนว่าเราพร้อมหรื อ, อยังมรณสตินี้ต้องรวมถึงการพิจารณาตรงนี้ด้วยคือเราพร้อมตายหรื อ, อยังเราทําหน้าที่สมเสร็จสิ้นแล้วหรื อ, อยังสมบูรณ์แล้วหรื อ, อยัง ถ้าตอบว่ายังก็ต้องก็ต้องพยายามขวนขวายพยายามจัดหาเวลาเพื่อที่จะทำเรื่องนี้เวลาถามว่าพร้อมจะตายหรือยังเนี่ยเชื่อเลยว่าส่วนมากบอกว่ายังไม่พร้อมส่วนหนึ่งเพราะว่ายังมีภาระมีภาระเกี่ยวกับพ่อแม่มีภาระเกี่ยวกับลูกมีภาระเกี่ยวกับงานการ แต่ถามว่าถ้าเกิดภาระเนี่ยทําหมดแล้วเนี่ยพร้อมหรือยังก็จํานวนไม่น้อยก็บอกว่ายังไม่พร้อมนะที่ไม่พร้อมคืออะไรคือใจยังไม่พร้อมบางคนไม่มีภาระอะไรแล้วไม่มีลูกพ่อแม่ก็เสียไปแล้วครอบครัวก็ไม่มีก็ไม่น่าจะมีภาระอะไรแต่ถามว่าพร้อมตายหรือยังก็ไม่พร้อมเพราะใจยังไม่พร้อมภาระไม่มีแล้วแต่ว่า ยังมีความรักตัวกลัวตายอยู่นะยังมีความยึดติดนะหวงแหนชีวิตนี้รวมหรืออาจจะยั ง, ยงเพราะว่ายังเพลิดเพลินกับความสุ ข, สขความสนุกสนานนะก็คื อ, อยังปล่อยวางไม่ได้ถ้าคนที่รู้ว่าตัวเองไม่พร้อมเนี่ยถามว่าทำไงถึงจะพร้อม ก็ต้องฝึกใจและข้วขนี้นอกจากการเตรียมตัวการทาหน้าที่การทำการงานให้แล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เป็นภาระก็ยังต้องฝึกใจเพื่อให้พร้อมที่จะปล่อยวางนะไม่ยึดติดถือมั่นในในความสุขที่ทาให้เพลิดเพลิพนยินดีรวมทั้งไม่ยึดติดถือมั่นในชีวิตนี้เพราะยังมีความหวงแหนว่าชีวิตนี้เป็นของเรามันก็เลย กลัวตายก็คือมีความรู้สึกเป็นตัวตนอยู่มีความยึดติดถือมั่นในตัวตนก็เลยมีความรักตัวเนี่ยรักตัวคือรักตัวตนก็เลยกลัวตายเนี่ยเราต้องต้องถามตัวเองตรงนี้นะว่าเราหนึ่งเนี่ยเราพร้อมจะตายหรือยัง ถ้าเกิดว่ามันมาแบบปัจจุบันทันด่วนหรื อ, อ 2. อนะ 2> เราทำความดีมาพอหรื อ, อยังที่จะทำให้เราสามารถที่จะตายนอนตายตาหลับได้ 3. เราทำหน้าที่มาทำหน้าที่ทำภารกิจต่างๆให้แล้วเสร็จไม่มีอะไรที่จะทำให้ค้างคาใจได้หรือเปล่าถามตัวเองเราติดค้างไข่ไหม บางทีต อ, อาจจะติดค้างนี่ศินหรือติดค้างนี่ทางใจก็ได้เช่นทำร้ายจิตใจคนบางคนแล้วก็ยังไม่มีโอกาสยังไม่มีเวลาหรือยังไม่กระตือรือร้นที่จะขอขมาขอโอโหสิหรือว่ามีความเจ็บแค้นในจิตใจยังอยากจะชำระความแค้นให้หมดไปยังตายไม่ไดนะ้ถ้าไม่รู้จักให้อภัยก็ ยากที่จะตายได้อย่างสงบอันนี้คือคำถามที่เราจะต้องตอบนะแต่คำถามเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเราไม่คิดแม้แต่จะถามเพราะว่าเราเราไม่ค่อยนึกถึงความตายเท่าไหร่เราอยู่แบบลืมตายก็เลยไม่มีไม่มีการตั้งคำถามเรื่องนี้แต่ถ้าเรารู้จักถามอยู่เสมอมันจะทำให้เรามองชีวิตในมุมใหม่ และทำให้เรามาทบทวนชีวิตทบทวนสิ่งที่เราทำว่ามันมันสมควรทำไหมอะไรบางทียังไม่ได้ทำมีมีฝรั่งคนหนึ่งนะบางคนนะได้ยินชื่ออาจจะรู้จักนะชื่อสตีฟจอปสตีฟจอปนี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่ถ้าบอกว่าเป็นผู้เป็นผู้ผลิตเครื่อง iPhone, iPod แล้วก็ iPad เนี่ยแล้วก็เป็นเป็นผู้บริหารบริษัท p ิก a r ที่ทำหนังเรื่อง Toy Story อะไรพวกเนี้ยพวกเราคงจะนึกออกสตีฟจ๊อบนี่เขาเขาดังมานานแล้วตั้งแต่เขาผลิตเครื่อง Apple แล้วก็ Macintosh ตอนหลังเขาก็มาทำ iPhone iPad ก็เรียกว่าเป็นเศรษฐีคนหนึ่งนะแต่ว่าชื่อเขานี่เขาก็น่าสนใจ เขาบอกว่าทุกเช้าเนี่ยเขาก็จะมองตัวเองที่กระจกแล้วก็ถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของฉันเนี่ยฉันยังต้องการจะทําสิ่งที่กําลังจะทําในวันนี้หรือเปล่านะฉันต้องการจะทําในสิ่งที่จะทําในวันนี้หรือเปล่าแล้วก็ตอบว่าไม่ ไม่ต้องการถ้าตอบว่าไม่อยู่สักสองสามวันก็อาต้องคิดแล้วว่าไ อ, อ้ที่ทำนี่มันมันมีค่าจริงหรือเปล่าไนะอ้ที่จริงเราอาจจะต้องอาจจะถามตัวเองนะมากกว่า น, นี้ก็ได้ถามว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของฉันเนี่ยฉันพร้อมจะจากไปหรือเปล่า มีอะไรบ้างที่ฉันยังไม่ได้ทำบ้างถ้าเราเพบว่ามีอะไรเยอะแยะหรือที่เรายังไม่ได้ทำแสดงว่าไอ้ชีวิตที่ผ่านมาของเรามันคงต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างหนึง่งไม่งั้นเนี่ยมันคงจะไม่เหลือสิ่งค้างค้างเป็นจำนวนมากถ้าเรายังมีสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำก็แสดงว่าที่ผ่านมาเราใช้เวลา ไปกับสิ่งที่ไม่เคยเป็นสาระเสียเยอะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ายังรู้สึกว่ายังมีหลายอย่างที่ไม่ได้ทำก็แสดงว่าเราใช้เวลาไปอย่ังไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่เคยถามนะคนหลายๆคนนะเป็นกลุ่มเนี่ยอาจจะกลุ่มไม่ใหญ่เท่านี้นะ เคยถามว่าถ้าเกิดว่ามีถ้าเขารู้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่แค่สามวันถ้าเขาจะมีชีวิตอยู่เพียงแค่สามวันเขาจะทำอะไรกับสามวันสุดท้ายที่เหลือสมมุติว่าสามวันอาจจะเกิดแผ่นดินไหวเกิดซีนามิหรือว่าเกิดดาวหางพุ่ ง, งชนโลก มีเวลาแค่สามวันเขาจะทำอะไรกับชีวิตในสามวันสุดท้ายและส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าจะไปบวชบ้างไปปฏิบัติธรรมบ้างจะไปกราบพ่อกราบแม่นะมีน้อยคนบอกว่าจะไปเที่ยวห้างต่อไปมีน้อยคนบอกว่าจะทำงานอย่างที่ทำอยู่ต่อไปทุกคนจะเปลี่ยน จะไม่ทำอย่างที่ทำอยู่แต่จะทำอย่างอื่นเช่นไปหาพ่อหาแม่ไปปฏิบัติธรรมนะหรือว่าไปอยู่ที่สงบสงบเพื่อที่จะใช้ชีวิตสุดท้ายช่วงสุดท้ายอย่างสงบคำถามคือว่าทำไมเราต้องรอให้ให้มีเวลาเหลือแค่สามวันเราถึงจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ ทำไมเราไม่คิดทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้หรือไม่คิดทำตั้งแต่เมื่อวานนี้ทั้งๆที่เราก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่อยากจะทาเนี่ยในสามารถสุดท้ายเป็นสิ่งสาคัญแต่เราก็ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เรามักจะมา น, นึกถึงแล้วก็อยากจะทำเมื่อเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันแล้วก็ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่อยากทำเนี่ยหลายคนก็อยากทำเยอะมากเลย จนกระทั่งเห็นชัดหรือว่าสามวันก็ไม่พอเช่นไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไปอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ย อ, อยู่แค่สามวันเองหลายคนก็รู้ว่าโอ้อสิ่งที่อยากทำในสามวันสุดท้ายมีเยอะมากจนกระทั่งไม่ไมีไม่มีเวลาพอที่จะทำในเวลาแค่สามวันคำถามคือว่าทำไมไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำในขณะที่ยังมีเวลามากมายอยู่ นะมันแสดงว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยเราละเลยสิ่งพวกนี้มากเราไปทำอะไรที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์หรือมีประโยชน์เหมือนกันแต่เป็นประโยชน์น้อยจนละเลยสิ่งที่ควรจะทําแตมา่มาคิดได้ก็ตอนกําลังจะตายหรือมาคิดได้ตอนที่สมมุติว่ากําลังจะตายแล้ว เ, เข้าจริงๆเนี่ยที่บอกว่าสามวันเนี่ยมันน้อยไป มีอะไรต้องทำอีกเยอะถามเขาว่าเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยมีใครบางที่รู้ว่าจะมีเวลาเหลืออยู่สามวันก่อนตายส่วนใหญ่ก็ไม่ก็บอกว่าไม่รู้นะมันยากที่เราจะรู้ได้ว่าเราจะมีเวลาแค่สมวันเพราะบางทีความตายก็มาแบบปุบ ป, ปับมารู้ตัวแค่สองสามชั่วโมงก็ไปแล้วก็มีที่เราคิดว่าเป็นเวลาที่น้อยเนี่ยมันกลับเป็นเวลาที่มาก พระเจ้าตรัสว่าสิ่งที่ไม่สามารถจะบอกล่วงหน้าได้ก็คือ 1. เราจะตายเมื่อไหร่ 2. เราจะตายอย่างไร 3. เราจะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ 4. ี่เราจะตายที่ไหน 5. ตายเราจะไปไหนบอกไม่ได้ลเละะ้วพฉันเอาข้อจริงเนี่ยที่3าวันบอกว่าน้อยบอกว่าน้อยไปน้อยไปเนี่ยกลับมากด้วยซ้ำนั่นถ้าถ้าใครที่คิดว่า ไอ้เรื่องสําคัญสำคัญในชีวิตนี้ฉันเอาไว้รอทําสามาสุดท้ายวอาวกันอันนี้เสต้ประมาทอย่างมากมันต้องทําดี๋ยวนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ทําหรืออาจจะไม่มีเวลามากพอที่จะทําก็ได้นะและสิ่งที่ควรทําเดี๋ยวนี้ก็คือเรื่องการเตรียมใจนะนะ เรื่องหน้าที่ที่ควรทำกับพ่อแม่เรื่องการทำภารกิจที่ข้างค้างการจัดเคลียร์ปัญหาที่ข้างค้างในจิตใจก็เป็นสิ่งที่ควรทำทั้งนั้นแต่เรื่องการฝึกใจการเตรียมใจรวมทั้งเตรียมใจให้พร้อมจะปล่อยวางได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะ และการที่เราจะเตรียมใจได้เนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกนะต้องมีการระดมความเพียรเพราะว่าคนเราเนี่ยมักจะมีนิสัยยึดติดถือมั่นมากปล่อยวางไม่ได้เดีย๋ยวว่าแต่สิ่งดีๆหรือว่าสิ่งที่ให้ความสุขแก่เราเลยที่เราปล่อยวางไม่ได้เช่นทรัพสมบัติเงินทองคนรักพ่อแม่ลูกหลาน ไอสิ่งที่ไม่ดีที่ทิมแทงจิตใจแล้วก็ปล่อยวางได้ยากนะเช่นความโกรธความเกลียดความพยาบาทความน้อยเนื้อต่ําใจความอิจฉาความคับแค้นใจพวกนี้เราก็รู้ว่ามีขึ้นทีไรก็ทิมแทงจิตใจเผารวนจิตใจให้เล่าร้อนแต่ก็ปล่อยวางไม่ได้อาข่าพยาบาทเป็นวันเป็นคืนเป็นอาทิตย์ แล้วลองคิดดูว่าถ้าเราจะตายในสภาพที่ยังมีความอาแคตอาฆ า, า, าตเพียบบาทไม่มีความโกรธเกลียดจะมีความเนื้อเนื้อต่ำใจเนี่ยมันจะตายดีได้อย่างไรจะตายสงบได้อย่างไรเพียงแค่การปล่อยวางพ่อแม่ทรัพย์สินเงินทองลูกหลานนี่ก็ปล่อยวางยากอยู่แล้วยังมีเรื่องค้งคาดใจความโกรธความเกลียดที่คอยทิ่มแทงจิตใจยิ่งปล่อยวางได้ยากใหญ่ ถ้าไม่ฝึกนะพวกเราที่อยู่กับโรงพยาบาลคงเห็นผู้ป่วยจํานวนมากเขาตายแบบกระสับกระส่ายทุรนทุรายอันนี้ถึงที่สุดแล้วก็พรไม่ใช่เพราะเขาเจ็บนะไม่ใช่เพราะเขาถูกทุกขเวทนาบีบคัน้นอันนั้นอาจจะยังไม่มากเท่ากับความรู้สึกว่ายัางปล่อยวางไม่ได้ยังทําใจไม่ได้ยังมีเรื่องค้างคาใจและถ้าเราไม่ฝึกไม่เตรียมตัวไว้เลยเนี่ยต่อไปแล้วก็จะเป็นอย่างนั้น เหมือนกันนั่นนะ้นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องขนขวานะฝึกฝึกจิตฝึกใจที่เรามากันที่นี่นะไม่รู้ <c oughs> ก็ไม่ร่วมมาด้วยวัตถุประสองค์อะไรบ้างแต่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติมันก็จะเป็นการเตรียมใจให้เราเนี่ยมีสติพร้อมที่จะรับมือนะกับความตาย หรือถึงแม้ความตายจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อมีความทุกข์มีปัญหาเกิดขึ้นมาในชีวิตที่มากระทบจิตใจเราก็สามารถจะรับมือกับมันได้ถ้าเรามีสติพอสติช่วยทำให้เรารู้ทันอารมณ์ที่ถูกครอบงำด้วยรู้ทันอารมณ์ที่ครอบงำจิตและทำให้เราปล่อยวางได้ แต่คนเราเนี่ยถ้าจะเจริญสติบางทีก็ไม่ค่อยมีแรงจูงใจเพราะยังคิดว่าฉันยังหนุ่มยังสาวเอาไปทําตอนแก่ก็ได้ตอนแก่ก็เข้าวัดก็แล้วกันอันนี้เรียกว่าเพราะยังประมาทก็ต้องมีตัวกระตุ้นตัวกระตุ้น น, นั่นคือมรณสติเพื่อกระตุ้นให้เราตระหนักว่าไม่แน่นะอาจจะไม่ได้ไม่ทันได้แก่ก็ได้นะเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ไปเลยก็มี หรือว่าบางคนเป็นเด็กไม่ทันหนุ่มไม่ทันสาวก็ไปเลยก็มีมันก็เป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องขวนขวายภาคเพียรพยายามอันนี้แหละที่พระพุทธองค์ถึงตัดว่าสังขารทั้งหลายมีความเสือเ่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทาความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดความไม่ประมาณก็อย่างที่บอกไว้แล้วคือการขวนขวายภาคเพียรพยายามซึ่งฟังดูเพลินเนก็เหมือนกับว่ามันขัดแย้งกับการปล่อยวาง นะที่พิจารณาเรื่องบางสกุลเป็นบางสกุลตายก็ล้วนแต่เป็นเรื่องการปล่อยวางนะขวการขวนขวายภาคเพียรพยายามกับการปล่อยวางมันไม่ขัดแย้งกันหรือไม่ได้ขัดแย้งกันเลยเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าการที่เราจะปล่อยวางได้มันต้องฝึกนะมันต้องฝึกอยู่เสมอก็คือต้องขนขวยายภาคเพียรและขณะเดียวกันถ้าเราภาคเพียรรู้จักทําหน้าที่ต่างๆไม่ให้ค้างค้างทําให้มัน สำเร็จครบถ้วนบริบูรณ์เช่นดูแลพ่อแม่อย่างเต็มที่ดูแลเลี้ยงดูลูกหลานอย่างเต็มที่ทาให้เขาพึ่งตัวเองได้ถึงเวลาเราจะไปแล้วก็ปล่อยวางได้เพราะว่าเราไว้ใจว่าเขาจะดูแลตัวเองได้หรือว่าจัดเตรียมเรื่องพินักรรมต่างๆทรัพย์สินเงินทองให้แล้วเสร็จไม่ปล่อยให้ครั้งคาถึงเวลาจะไปก็ไปได้ถ้ามีบางคนนะตาย ตายแล้วยังตาค้างเลยเพราะว่ายังไม่ได้ทําพินกรรมหรือว่าเพราะว่ายังเป็นห่วงลูกคนนั้นคนนี้อยู่ยงจนกระทั่งต้องจุดธูปบอกว่าจะดูแลลูกคนนี้คนนั้นให้พอปิดตาก็เลยสามารถปิดตาได้ตาค้างต้องตั้งแต่เป็นคืนเลยเนะไม่ยอมปิดจนกระทั่งมีคนรับจะดูแลลูกให้เขาก็เลยยอมปิดตาเรียกว่าตายตาหลับ พราะการขวนขวายภาพเพี่ยนทําสิ่งที่ควรทําให้แล้วเสร็จไม่ให้เป็นเรื่องค้างคาจิตใจก็เป็นสิ่งที่เสริมให้ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเหมือนกับเรามาที่นี่ถ้าเราเคลียร์งานเสร็จเนี่ยนะเราก็ปล่อยวางได้ง่ายแล้วก็มาปฏิบัติได้เต็มที่แต่ถึงแม้ยังเคลียร์ไม่เสร็จก็ก็สมควรปล่อยวางนะเพราะว่ายึดติด ถ, ถือมั่นเป็นห่วงกังวลยังไงก็ไม่ได้ช่วยทําให้งานมันเสร็จเร็วขึ้น เพราะว่าตัวอยู่นี่งานอยู่โน่นไม่มีอะไรเดียว่าการปล่อยวางซ ะ, ะเพราะนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> การปล่อยวางก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกและต้องอาศัยการความภาคเพียรเหมือนกัน <Yeah. S 1> ก็อยากจะให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรามาปฏิบัติในช่วงอาทิตย์เนีเป็นสิ่งสำคัญ <Yeah. S 1> ไม่ใช่เป็นความสูญเปล่า <Yeah. S 1> ไม่ใช่เป็นการเสียเวลา <Yeah. S 1> ไม่ใช่เป็นสิ่งฟุ่มเฟือย <Yeah. S 1> มันเป็นสิ่งที่ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นเรื่องขอขาดเรื่องความเป็นความตายก็ได้แล้วก็อนุโมทนาด้วยที่พวกเรามาปฏิบัติกันนะก็ขอให้มีความภาคเพียรพยายามในการปฏิบัติและใช้เวลายอย่างเต็มที่สำหรับ7วันต่อจากนี้ไปกลับมาพร้อมกัน